สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วินธรรมสารมหาเทระทีปานุเคราะห์ปะเปรียญธรรมเก้าวัดราษชภาติการามแขวงวชิระพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2449ถึง2536 ชนเหล่าใดย่อมหลุดพ้นเพราะไม่ถือมัน่นในเพราะความสิ้นไปแห่งความเกิดและความตายชนเหล่านั้นถึงความเกษมสำราญสวัสดีมีความสุขดับอย่างยิ่งในปัจจุบันก้าวล่วงเวรและไผ่ทั้งปวง ย่อมก้าวล่วงซึ่งทุกข์ทั้งปวงได้อุปทานอยู่ที่ใจหรืออยู่ที่ขันที่มีใจครองขันเปล่าเปล่านั้นเป็นขันของพระอระหรันต์ แต่ขันของเรานี้เป็นขันที่มีอุปทานฉะนั้นจึงว่าหลุดพ้นเพราะไม่มีอุปทานเพราะไม่ถือมั่นเพราะท่านสํารอกอุปทานออกหมดแล้วไม่มีเหลือเหลือแต่ขันเปล่าๆที่ว่างๆไม่มีอะไรอยู่ในนั้น สังเกตดดูกาน้ำถ้าไม่มีน้ำอยู่ข้างในจับว่อมก็ได้แต่ถ้ามีน้ำอยู่ก็หกเรียราดพื้นเลอะพื้นเปื้อย่างนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นขันเรารูปเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณนี่แหละท่านจึงเรียกว่ารู ป, ปขันธ์ที่มีอุปทานเวทนาขันธ์ที่มีอุปทานสัญญาขันธ์ที่มีอุปทานสังขารขันธ์มีอุปทานวิญญาณขันธ์ที่มีอุปทานท่านจึงเรียกว่าอุปทานขันธ์ ไม่ประมาทจึงเป็นทางไม่ตายคือเป็นทางที่ให้สิ้นไปถึงอุปทานไม่ประมาทในที่นี้ก็คือความเป็นผู้ปฏิบัติขจัดอุปทานดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีอันเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาขอท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ดังนั้นจึงต้องทำกรรมาฐานให้ได้ฌานเมื่อมีฌานแล้วให้เกิดปัญญาฌานไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่มีปัญญาปัญญาก็ไม่มีแก่ผู้ที่ไม่ได้ฌานฌานและปัญญามีในบุคคลใด บุคคลนั้นแลชื่อว่าอยู่ใกล้ๆพระนิพพานอยู่ในสำนักพระนิพพานนิพพานเพราะไม่ถือมัน่นนิพพานนั้นปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วบรรลุเพราะเราไม่ยึดถือ คือเมื่อใดไม่ยึดถือเมื่อนั้นนิพพานสำคัญอยู่ที่ตัวชายีมีความเพ่งคือได้ฌานเพราะได้ฌานแล้วจึงสงบเมื่อจิตสงบ จิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ทั่วถึงตามเป็นจริงนี้เพราะอำนาจที่ได้ฌานเพราะฉะนั้นฌานเป็นเหตุเมื่อรู้ตามเป็นจริงแล้วเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในสังขารนึกว่า ธรรมดาธรรมดานั่นแหละของมีอยู่ในโลกไม่ใช่ของเราคลายจากความกำหนัดคือไม่ติดไม่ติดอกติดใจผัวพันอะไรหมดเพราะคลายจากความกำหนัดจึงหลุดพ้นก็เท่านี้ เป็นผู้ไม่หวั่นไหวไม่มีข้อสงสัยจะต้องถามดับรอบแล้วเพราะไม่ถือมัน่นมีกระแสอันขาดแล้วไม่มีเครื่องผูกพันนี้แสดงลักษณะของพระอรหันต์ก็เป็นอันได้ชื่อว่าได้ปฏิบัติได้ถึงธรรมที่สูงที่สุดตามหลัก พระพุทธศาสนา